ทุกคนที่โทร ค, คันนี่คือรายการสันนิสนทนานะคะดำเนินรายการโดยสันนินหน้าพงอยู่ทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว f m 1เอมร้อยหกค่ะรายการของเราดำเนินมาถึงช่วงที่ท่านกำลังจะได้พบกับพระภิกษุอีกรูปหนึ่งคือพระภยบูรณ์อับ พ, พิกลโนในช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธว จ, จะนะไปพบท่านกันนะคะนวัตการท่คะเชิญพาน ค, ะานค่ะก็ เป็นอีกวันหนึ่งที่กําลังจะกเข้าสู่พ่วงเวลาสําคัญอืพุทธศาสนิกชนนะคะมีทั้งวันอาสารหะแล้วก็วันเข้าพรรษาครับนคะใช่ใชใ ช, ใชอาสารหะคืออะไรคะท่านอาสารหะเป็นชื่อของเดือนเดือนนี้เป็นเดือนอาสารหาะก็คือเดือนแปดนั่นเองอแล้วก็วันเพ็ญเดือนอาสารหะเนี่ยก็เป็นวันที่มีความสําคัญในเรื่องของคําสองพระเจ้ า, าน ะ, ค, ะคือมันสืบเนื่องมาจากตั้งแต่เมื่อสองเดือนที่แล้วเนี่ย เป็นเป็นครั้งที่พระเจ้าตรัสรู้นะคือหมายถึงเมื่อ 2,600 ปีบวกกับ2เดือนที่ผ่านมานะอ่าเป็นวันที่พระเจ้าตรัสรู้แล้วก็เลยถัดว่า2เดือนก็มีการแสดงปฐมเทศนาเป็นการเทศสอนครั้งแรกเลยนะห่างกัน2เดือนตรงนี้ทีนี้ว่าปีนี้มันปีพิเศษนิดหนึ่งคุณยมติวเราจะเห็นว่ามันเป็นสเดือนสำหรับปีนี้ในแปสองครั้งใช่เพราะว่าปีนี้เป็นปีที่มีเดือน8ปดสองหนนั่นเอง ในข้อรษา<ะ> 2003, มันก็เลยได้ล่วงมาจนถึงเดือนสิงหาปกติมันก็จะเป็นช่วงเดือนกรกด า, าจริงๆเรื่องของเดือนแปดสองขนนี่ก็มีเฉพาะในประเทศไทยใช่ๆรู้สึกจะมีเฉพาะในประเทศไทยนะที่คือถ้าเราไม่มีเดือนแปดสองนเนี่ยวันวิสาขาบูชาของเราเนี่ยจะไปชนกันกันกบวันคริสต์มาสเนี่ยในบางครั้งอาจจะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยปรับให้มันตรงกับปฏิทินของ ของชาวยุโรปซะดยการ <Okay. S 1> ที่เสริมตรงนั้นแบปีนี้นะมีแปดเพิ่มไปเพราะว่าในระบบของดวงจันทร์เนี่ยเดือนหนึ่งมันแค่28วันแต่วันที่เหลือก็ต้องมีการชดเชยกันเลยทำให้มีเดือนอีกเดือนหนึ่งเพิ่มขึ้นมาทุกๆ2ปี3ปีอะไรประมาณนี้ <Okay. S 1> ในสมัยพุทธกาลตรงนั้นก็2เดือน <Okay. S 1> ในช่วง2เดือนนี้พระาก็พักผ่อนบ้างเพราะว่าคน พยายามมาตลอดนะคุณยมติ๋วนึกออกไหทั้งทํา <Okay. S 1> ทุกกระดิกิริยานั่งสมาธิอต่างๆจงกนกระทั่งเป็นสมมาสมงโฆระเาแล้วอะ่ะก็เลยแบบว่าขออยู่นิ่งๆสบายๆซะหน่อยหนึ่งช <Okay. S 1> ื่อยระยะเวลานนั้นด้วยแล้วก็ได้ไกร่ครวนธรรมะด้วยแล้วก็ถึงช่วงเวลาที่ได้มีบทสนทนากับสามบดีพรมในที่ว่านิมนต์ไปแสดงธรรมแต่ตอนนั้นพระเจ้าก็มีความคิดที่ว่าจะไม่แสดงธรรม ในช่วงสองเดือนนี้นะก็คือกิจกรรมเหล่านี้เราก็เลยได้เดินทางไปหาปัญจวัคคีนะปัญจวัคคีคือเหล่าภิกษุห้ารูปนี่คือเหตุการณ์ในวันนั้นคร่าวๆทีนี้ทุกปีเราก็พูดทุกปีเลยอะ่ะพ mm. ี่ยมติวเรื่อ ง, องนี้ใช่ค่ ะ, ะก็มีข้อต่างๆที่คิดว่าอาจจะเปลี่ยนแปลงจากปีที่แล้วหน่อยหนึ่งปีที่แล้วเราอาตมายังไม่ได้เห็นประเด็นนี้แง่มุมนี้ก็คือว่าทําไมพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยถึงจะต้องให้ ใครมานิมนเพื่อที่จะไปทําอะไรนะคือทำไมทำไมพระธเจ้าไม่แสดงทําเองเลยนึกออกไหม ค, คือทําไมจะต้องรอให้สามบดีปรมะมณนิมนนะสมมุติว่าความขวนขวายนะ้อในการแสดงทําอย่างเงี้ยนะทำไมไม่ละความคิดนี้เสียแล้วก็แสดงทําเลยโดยที่ไม่ต้องให้สามบดีปรมะมานิมนนะตรงนี้พอมองเข้าไปลึกๆแล้วเนี่ยคือการคือการที่จริงๆแล้วเป็นอรียะประเพณีนะคุณโยมติ๋วที่ เหล่าเราียสาวกเนี่ยจะทําอะไรเนี่ยจะต้องมีเหตุซะก่อนนะคือคือไม่ได้บุ่มบามทําไปเลยเนะีเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งนะคือคือถ้าคนตาคนถามเนี่ยเขาคิดว่าเอ๊ะทำไมพระเจ้าถึงไม่แสดงธรรมเลยนะความคิดตรงกันข้ามกันก็มีว่าถ้าสมมุติพระเจาไปแสดงธรรมเลยโดยที่ไม่มีแกลมอนิมนต์เขาอาจจะกล่าวหากล่าวาตัวได้ว่าอ้าวดูสิยังมีตัณหาอยู่ยังมีความอยากอยู่อยากแสดงธรรมอยากให้คนนั่นคนนี้บรรลุธรรมอย่างนี้ก็เลยจะเป็นข้อกล่าวหาได้ แล้วก็ตรงนี้เป็นอริยะประเพณีด้วยจริงๆแล้วที่ว่าจะทําอะไรก็จะต้องมีเหตุเกิดขึ้นก่อน hmm. อย่างการบัญญัติวินัยต่างๆเลยขณนะภาษาลิบุตรมาทูลขอให้บัญญัติวินยัยพระเจ้าบอกยังไม่ถึงเวลาลวต้องมีเหตุเสื่อมเสียขึ้นก่อนถึงจะบัญญัติวินัยได้นะหรือว่าการถวาย <c oughs> ของถวายกุฏิอะไรก็ต้องมีคนมาถวายก่อนถึงจะบัญญัติให้ว่าให้มีได้ก็นะต้องอาศัยเหตุปัจจัยลักษณะนี้ อทีนี้ถ้าเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องของความสามารถเลยนะคือผ<ฆ>ู้ช่างของเราในความสามารถเต็มเปี่ยมนะคือไม่ใช่ว่าไม่สามารถแล้วจึงไม่ได้ทำํำนะแต่สามารถสามารถอยู่แต่ที่ไม่ทําเพราะว่ามีคุณธรรมอยู่นะที่ม<ฆ>าเกี่ยวกับเรื่องความขวนขวายน้อยความสันโดษอย่างนี้นะจริงๆแล้วผู้ช่างเราก็เป็นคนที่มีความสามารถที่สุดในเรื่องของการสอนอยู่แล้วนะ<ฆ>ทีนี้การที่สามบดีพรห ม, มานิมนต์เนี่ยก็ อาศัยเหตุปจัยที่ว่าพระพุทธเจ้านี่มีความสามารถในเรื่องการสอนอยู่อย่างเต็มที่ก็เลยนิมนต์ให้พระุทเจ้าสอน <Okay. S 1> อการสอนในครั้งนั้นถ้าเรามาพิจารณาดูนะคุณโยมติ๋วแหมอัตมาว่ามีความความลำบากกว่าสมัยปัจจุบันมากนะก็ <Okay. S 1> อย่างสมัยปัจจุบันเนี่ยอัตมาผู้ใส่รายการวิทยุเนี่ยนะคนเป็ น, สนแสนๆนะได้ฟังเนาะ แถมยังฟังย้อนหลังฟั ง, ฟงในคลื่นระบบคลื่นต่างๆมันก็ไปได้ทั่วมากกว่าแต่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเวลาแสดงธรรมสมัยนั้นเนี่ยนะก็คือใช้เสียงสดใช่ไหมเอ่อคือเรายังไม่ต้องพูดถึงอภินิหารหรือความสามารถพิเศษของพระพุทธเจ้านะเราพูดถึงเหตุการณ์นี้ตอนวันอัส า, ารหัมปุช า, าเนี่ยเหตุที่ว่าจะไปหาคนมาฟังธรรมเนี่ยคนเดียวก็หาไม่ได้นั่นคือนึกถึงอา ร, า, รามาบคตรก็เสียชีวิตไปแล้วนึกถึงอุธากาอารามบุตรก็เสียชีวิตไปแล้ว สุดท้ายหาไปหามาได้หคนนั่นคือบัญจัคคีจะไปหาสแสดงทําให้เขาฟัง5คนนี้เขาก็ไม่ยอมฟังอีกต้องพูดกันตั้ง3รอบ4ี่รอบฟังแล้วพอฟังปุ๊บฟังแล้วก็ไม่ได้บรรลุเลยนะฟังตั้งยาวบรรลุเนี่ยบรรลุนี่ไม่ได้บรรลุห้าคนบรรลุคนเดียวแล้วก็ไม่ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ด้วยบรรลุแค่โสดาบั น, นยังต้องเทศกันอีกทั้ง3วัน4วันจนกว่าจะได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ทั้งหมดน่นนะ อันนี้ทําให้เห็นถึงความยากลําบากของของการแสดงธรรมในสมัยก่อนของพระพุทธเจ้าเองซึ่งมีความเพียรมีความพยายามอย่างมากทีเดียวในสมัยนี้เนี่ยคุณยมติวก็นั่งอยู่ที่สํานักงานธรรมาก็นั่งอยู่ที่สํานักงานอาศัยเทคโนโลยีเราคุยกันได้ใต้ผู้ฟังก็นั่งอยู่ที่บ้านของตัวเองอาศัยเทคโนโลยีก็ฟังกันได้สบายมากมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นจึงคิดว่าตรงนี้เป็นเรื่องอัศจรรย์มากๆแล้วในการที่เรามีการแสดงธรรมฟังธรรมเนี่ยนะเปนเรื่องที่อัศจรรย์มากๆเลยแบบ โอ้โหสุดยอดเลยนมวมานะค่ะเราก็ถือว่าเป็นคนที่เกิดมาถูกยุคถูกสมัยฟังธรรมได้สะดวกน่าจะมีบุญมากกว่าคนในสมัยก่อนอย่างนั้ น, นะหมคะเออก็มีส่วนตรงนี้คือบุญมากหรือบุญน้อยเนี่ยเราพิจารณากันที่ภรรษาที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจนะคือบางคนเนี่ยอาจจะมีความพอใจที่จะไปอยู่ร่วมกับพระพุทธเจ้านะไม่ว่าสมัยนะ่าอาจจะไม่มีน้าประปาก็ตาม นะคือคืออันนี้ก็แล้วแต่เขานะคือเครื่องในอำนวยความสะดวกในสมัยนั้นเนี่ยมันก็มีแน่ละเนะเาะไม่ต้องพูดถึงน้ำประปาก็ได้บางทีอาจจะให้ใช้คนหาบมาให้นะหาบน้ำมาให้หยอดเข้าไปข้างบนก็เปิดฝักบัวได้เหมือนกันมันก็มีความสบายในระดับนั้นของคนสมัยนั้นนะนะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าบุญมากหรือบุญน้อยเนี่ยคือถ้ายังไงคุณเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะโอ้โหบุญมากจริงๆแล้วบุญมากจริงๆมันไม่ใช่ง่ายง่หมู่หมูมาเป็นมนุษย์ได้ หมูต้องเป็นหมูนะมนุษย์ก็ต้องเป็นมนุษย์ <c oughs> <c oughs> มันก็ใช่ใช่เป็นเรื่องที่เป็นความยากลําบากมากที่จะมาเป็นมนุษย์ทีนี้เป็นได้แล้วเนี่ยยิ่งต้องฟังธรรมะเลยยิ่งต้องหาธรรมะใส่ใจผ่านทางหูเพื่อให้เห็นคุณค่าแล้วได้ไม่เสื่อมไม่ประมาทยังตั้งตนอยู่ในธรรมได้ถึงจะดีตั้งบริบูรณ์ค่ ค, คนที่เกิดมาแล้วมีฐานะดีสถานภาพดีพวกนิย่อมผัดศาดีกว่าคนอื่น แปลว่าเขามีบุญมากกว่าถูกไหมคะเป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้แปลว่ามีเป็นไปไม่ได้ด้วยหรือไงคะเป็นไปได้คือมันปนกันนะคือ<ม>คือหมายว่าที่บอกว่าเป็นไปได้เนี่ยเพราะว่ามันมีส่วนที่ปนกันอยู่คือคนที่มีทรัพย์สินเงินทองมากอันนี้เขามีผสานที่น่าพอใจในเรื่องนี้กว่าคนอื่นๆถูกต้องอยู่ทีนี้ในความที่เขาเป็นคนมีฐานะเนี่ยเขาอาจจะมีความทุกข์ของเขานะเช่นเราเคยพูดถึงเศรษฐีที่มีความตระนนี่ใช่ไหม มีเงินมหาศาลเลยแต่ว่าไม่รู้จักใช้เงินนะใส่เสื้อผ้าขาดๆปอนๆหรือเศรษฐีบางคนในสมัยปัจจุบันก็แล้วแต่เนี่ยเราเห็นเห็นอยู่เนี่คุณมีเงินล้นฟ้าเลยแต่ว่าครอบครัวไม่มีความสุขนัะด่ากันมากกันหรือว่าทําอะไรไปทําให้มันพลิกผันไปเป็นทําให้ไม่สามารถที่จะมีความสุขในชีวิตได้ก็มีก็เป็นกรรมของเขาเป็นความทุกข์ของเขาอะนะทีนี้ท่านพูดถึงว่าเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นโอกาสที่ดีสุดควรที่จะสแสวงหา ธรรมะถูกไหมคะปฏิบัติธรรมดิฉันก็มีคำถามเลยนะคะเพิ่งคุยกันกับคนใกล้ชิดเขามีประสบการณ์ไปสถานรักษาพยาบาลคนที่สุขภาพจิตไม่ดีคืออาจจะเป็นโรคจิตนิดๆนะนะคะทาะแล้วก็บอกว่าเป็นสถานที่เฉพาะสำหรับ มันมีฐานะคงวัดกันจากที่ค่ารักษาแพงนะเดี๋ยวฉันเข้าใจว่าอย่างนั้นบอกเข้าไปแล้วตกใจมากอื mm. คือเจอคนลักษณะดีๆเนี่ยที่ดูไม่ออกเลยว่ามีปัญหาเรื่องนี้อ mm ืม hmm. นะคะแต่มีปัญหาเรื่องนี้นั่งอยู่เต็มไปหมดที่นั่น <c oughs> แล้วเดี๋ยวฉันก็เลยถามต่อว่ามีประเภทแบบปฏิบัติธรรมแล้วเป็นไหมเขาบอกมีเยอะเลยค่ะแน่นอนเลยมีเยอะแน่นอนแล้วท่านกําลังจะชวนไปปฏิบัติเนี่ยฟังกันแล้วก็กลัวสิคะ คนที่เป็นบ้านะพูดง่ายๆนะเป็น<ะ>บ้าเนี่ยมันมีหลายสายเหตุพระเจ้าเคยพูดถึงเรื่องนี้แน่นอนอันที่หนึ่งง่ายๆก่อนเอาขั้นพื้นฐานคือคุณไม่มีศีลแล้วคุณไปปฏิบัติธรรมะอันนี้จะทำให้คุณฟุ้งซ่านเป็นบ้าได้<ะ>ไม่มีศีล น, นะแล้วไป<ะ>พยายามที่จะทำกรรมฐานพยายามที่จะทำเจตังไว้มันเดี๋ยวมันจะวนหัวมีอะไรมึนๆมันมตึงๆดึงๆ ล้มหน้าแอนหน้าแอนหลังเหมือนตกเหวะอะไรต่างๆพวกนี้เป็นอาการที่ลักษณะเดียวกันหมดเลยแล้วถ้าเราตามไปคุณเป็นบ้าได้นะคือจิตจะถึงความฟุง้งซ่านแล้วก็ดึงกลับได้ยากอันนี้กรณีที่หนึ่งรหรือว่ากรณีที่2ก็มีคือบุคคลที่ด่าบริภาทเพื่อนผู้ประพฤติประมาจันหรือว่าตีเตียนพระอริยเจ้านนหนึ่งในความชิบหาย11อย่างแลนะก็คือจะได้ต้องไปมีความฟุง้งซ่านแห่งจิตเป็นคนบ้า หลงไหลเป็นบ้าไปคเออคือ บ, บางคนเนี่ยตัวเองมีฐานะใช่ไหมแล้วก็คิดว่าฉันดีกว่าเธอฉันดีกว่าคนอื่นยกตนข่มท่านอย่างเงี้ยเผอิญไปยกตนข่มคุณที่มีคุณธรรมนะไปเช่นไปด่าพระอริยเจ้านะพระอาหารหันต์อย่างเงี้ยหรื อ, อไปด่าเพื่อนผู้ประพฤติประมาจันที่เขาทำดีๆตัวเองไปยกตนข่มท่านอันนี้จะทําให้ตัวคุณเองเป็นบ้าได้ครนะอย่างน้อยมีสองนยยะนี่แหละที่ที่ได้รู้ถึงนคะ ย <ullah> ตน <attractive> ข่มท่านทําตัวให้เป็นบ้าได้ใช่คือหมายความว่าด่าวริพาทเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์หรือติดเตียนพระอริยเจ้านําบทเพียนชนะผู้ชาติเป็นอย่างนี้คือคือที่อาจมาตั้งข้อสังเกตนะนะคือคนที่มีฐานะอาจจะยกตนข่มท่านแล้วก็เลยไปด่าเขาบ้าเขาผลกรรมของการด่าเขาว่าเขาไม่ต้องรอนานชาตินี้คุณเป็นบ้าเป็นไปได้หรือไม่ก็ถูกต้องโรคอย่างหนักอันนี้เป็นไปได้ป่วยป่วยมากใช่ไหมคะใช่เท่ากับว่าต้อง ทีนี้จะจะทําทอย่างไรนอกเหนือจากทาตรงตัวที่พระพุทธเจ้าสอนก็นคืออย่าไปด่าไปว่าพระอริยเจ้าถูกไหมคะใช่แล้วก็ต้องมีศีลในการที่จะไปปฏิบัติธรรมเท่ากับจะต้องรักษาศีลก่อนถึงปฏิบัติธรรมรือไงคะท่านอาาถูกต้องนะคือคือมันมาด้วยกันก็ได้นะคือหมายความว่าในระหว่างคุณอาจจะยังไม่มีศีลมาก่อนหน้านี้อ่ะคุณหยุดหยุดแล้วคุณตั้งใจในการที่จะรักษาศีนลนะความตั้งใจตรงเนี้ยคือการสมาทานละ ในความปกติของเราจากวินาทีนั้นเป็นต้นไปแล้วเราก็ใช้ความตั้งใจในี่เป็นฐานในการที่จะเจริญภาวนาอันนี้ทําได้ถ้าเรายังไม่ได้ตั้งใจน่ะเรายังใช้ความผิดศีลเดิมๆผิดศีลเดิมๆที่เรามีเนี่ยก็จะทําให้เป็นบาได้อันนี้ที่พูดถึงที่คุณโยมถึงพูดถึงว่างั้นเราก็อย่าดาา่าใครงั้นเราก็ทําให้ถูกศีลเนี่ยอันนี้เป็นแค่วัคซีนป้องกันเป็นวัคซีนป้องกันก่อนที่เราจะไปเป็นบ้าทีนี้สําหรับ สำหรับพวกที่เป็นบ้าไปแล้วจะแก้ไขยังไงใช่ไหมใช่ค่ะก็คือก็แก้ในลักษณะเดียวกันว่าคุณต้องมามีศีลนะแล้วคุณก็ต้องไปขอเข้ามาคนที่คุณไปด่าเอาไว้นะคุณระลึกได้ไหมคุณไปด่าใครว่าใครเอาไว้แล้วเราก็ไปขอเข้ามาบุคคลผู้นั้นก็พอจะแก้ได้บ้างแก้ได้นิดหนึ่งหมายความว่าเบาลงหรือไม่ก็หายได้นะแต่ว่ามันจะมีความคิดฟุ้งซ่านแรงต่างนี่ก็ยังมีอยู่เป็นผลกรรมที่ต้องได้รับนั่นแหละค่ะ ถ้าสมมุติว่าในการอธิบายกับคนที่ไม่ค่อยศรัทธาในพระสงฆ์พระอาจจะอ่านหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งบ่อยก็จะเจอแต่พระสงฆ์ที่ส่วนใหญ่จะมีปัญหานะคะแล้วก็เหมือนกับทำให้ไม่น่านับถือทีนี้เราก็จะอธิบายว่ า, าให้ดูว่าพระสงฆ์กับคนธรรมดาเนี่ยก็เหมือนกันจะต่างกันที่แต่ละคน รักษาศีลได้สูงกว่ากันหรือไม่มและต่างกันที่จะละวางกิเลสได้มากกว่ากันหรือเปล่ามแม้จะไม่ได้อยู่ในเครื่องแบบถ้าทำได้ดีกว่าก็จะแตกต่างไปในทางที่ดีกว่าอันเนี้ยคนที่พูดวิจารธทํานองเนี้ยเสียหายอะไรไหมคะที่ไปพูดเปรียบเทียบพระกับคนธรรมดาแบบเนี้ยค่ะก็ไม่ไม่เสียหายนะคือพระก็แค่เรื่องของเครื่องแบบนันนั้นเอง S 1> <S 1> เรื่องเคร <ะ S 1> ื่องแบบถ้าถ้าบุคคลธรรมดาสามารถรักษาศีลได้อย่างเต็มที่นี่ก็กดีมากแล้วนะสามารถประพฤติพรหมจรรย์ได้บรรลุเป็นปร า, าราันได้แน่นอนค่ะดังนั้นวันนี้นี่ก็น่าจะพอควรเกลาที่ได้รับความรู้หลายแง่าหลายๆมุมจากท่านไปบูรนะคะแล้วกราบ น, นมรดการขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งค่ะเจริญบานท่านฝังค่ะแล้วนั่นก็คือพระไปบูรอภิปุโนจากวัดป่าดอนไฮโศกจังหวัดดอนทานีซึ่งโดยปกติหนึ่งเดือน จะมีคอสปฏิบัติธรรม1ครั้งนี่ก็เพิ่งจะค้นการปฏิบัติธรรมในคอสนี้ไปท่านผู้ใดสนใจจะสมัครก็สามารถที่จะเข้าไปที่เว็บไซต์ที่ชื่อว่าหลวงพ่อด็อกเตอร์หรือว่าจะไปที่เพียวธรรมะคอม /106 ซึ่งที่นั่นท่านถามคำถามให้มาตอบในรายการนี้กันก็ได้เลยนะคะ หรือโทรศัพท์มาที่เบอร์โทรศัพท์ซึ่งสามารถขอหนังสือชื่อพุทธวัจนะรวบรวมคำสอนของพระศ า, าสดาด้วยสำนวนที่เชื่อว่าพระพุทธองค์กัดไว้อย่างนั้นเป็นสำนวนที่ประณีตมากนะคะพูดไม่มีช่องให้หลุดไปได้เลยก็ติดต่อกันเข้ามาที่022690006นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันสัสนสีนาธพง์ก็ต้องขอให้ ท่านทั้งหลายได้นำเอาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติและท่านจะได้พบเองค่ะว่าธรรมะคำสอนของพระพุทธองค์ที่เรียกว่าพุทธวจนะนั้นเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ทำถูกแล้วก็ได้ผลอย่างที่ท่านตรัสไว้นำพาชีวิตสู่ความสวัสดีอย่างแน่นอนพุทธสวัสดีค่ะ